ตรงนี้เข้าใจใช่ไหมวิญญาติรูปสองแล้วก็ลักษณะรูป4ี่ส่วนวิญญาติรูปสองนั้นก็คือว่ามีขนาดจิตหนึ่งคือสภาพของวิญญาติรูปสองนั้นแนตะ่ละขษณะจิตหนึ่งหนึ่งนั้นทำให้วิญญาติรูป2เป็นไปแน่นอนตามวัตถุประสงค์เช่นขนาดจิตเดียวเนี่ยวิญญาติรูปก็เกิดแล้วนะแต่ปริมาณของวิญญาติรูปนี่มันน้อยจิตตะเชรูปที่จะเป็นเหตุให้รูปเคลื่อนน่ยมันเกิดแล้วแล้วมันก็เป็นไปแล้ว มองไหมมันเป็นไปแล้วด้วยแต่อาการของวิวญญัตติรูปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นรูปที่เห็นใช่มเพราะมันเป็นเพียงว่าเป็นอาการของอะไรเป็นอาการของนิพันนะอาการเคลื่อนไหวของนิพันธนะรูปนะอย่าลืมนะไม่ทราว่าตรงนี้มหาลูกชิดมองเห็นตัววิญญัตติรูปเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตาได้ไม่ได้สัมผัสด้วยด้วยเสียงได้จมูกจะไปดมกลิ่นไม่ได้ลิ้น ล, ลิ้มรสสัมผัส ถ, ถูกต้องไม่ได้ เวิญญาติรูปนี่เป็นเป็นรูปารม์สัทธารลมคันธารมล่าสารมโหดถัพพลมหรือเป็นธรรมารมณ์เอาอย่างนี้ว่าวิญญาติรูปเนี่ยมันเป็นวิญญาติรูปเนี่ยเป็นอนิพนธนรูปเป็นรูปเทียมใช่ไหมไม่ใช่เป็นปรมัติไม่ใช่รูปปรมัติปัญหาก็คือว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีนิพนธนรูปเนี่ยจะมีกายวิญญาตวิจิวิญญาตไหม ถ้าไม่มีร่างกายจะมีกายวิญญาต์วจีวิญญาต์ไหมมันไม่มีมันเป็นอาการเคลื่อนไหวของนิพพานะรูปคืออย่างนี้ใช่ไหมที่กําลังจะกล่าวกันตอนนี้ก็คือว่าขณาดจิตสิบแปดวออสิบเจ็ดวงเนี่ยขณะจิตหนึ่งหนึ่งปาทะทิฏฐิและพังคะใช่ไหมถ้าจิตสิบเจ็ดขนาดนั้นชื่อว่าเป็นอายุของรูปธรรมใช่ไหมที่เรากําลังจะอธิบายกันเนี่ยก็หมายความว่าขณะที่เสมอกันกันกบ ขนาดจิต ท, ทั้งสิบเจ็ดขณะชื่อว่าเป็นอายุของรูปธรรม ท, ทั้งหลายก็แปลว่ารูปธรรม ท, ทั้งหลายนีย่จะต้องมีขณะเสมอกันก็คือว่าถ้าจิตเกิดดับแล้วสิบเจ็ดวงอ่ะอายุของรูปธรรมจะตั้งได้เกิดได้รูปหนึ่งอย่างนี้เป็นตมองเห็นตรงนี้ตรงนี้คือถ้ารูปเนี่ยเกิดขึ้นมาอุปาถ้าขนาดของรูปนั้นหนึ่งขณะแต่ถีติขนาดของรูปนั้นยาวนานเห็น ไ, ไหที่เขียนไว้อ่ะทีนี้ อะดูถ้าดูบนดูบนกระดานเนี่ยจะเห็นนะไอตัวอุปาทัศนขนาดคือที่ไอตัวทีติอุปาทัศน์ของรูปารมณ์ที่อุปายทัศนขนาดของอธีตวังนั้นเป็นตัววัดอันนี้เขา ส, สวัดขึ้นมาให้ทราบแล้วก็พังคขั้นขนาดนี่คือขนาดดับแต่ขนาดตั้งอยู่นั้นคือสิบ็ดวงใช่ไหมนับโดยคร่าวๆคือสิบ็ดวงนี่แหละสิบเจ็ดขนาดจิตขนาดใหญ่ แต่เหลือสี่สิบเก้าขนาดเล็กอันนั้นคือขนาดตั้งอยู่กันของรู ป, ปธรรมอย่างอื่นที่เวน้นวิญยญตรีรูปเว้นลักขนาดรูปสี่โรคจาก ท, ที่เกิดจากจิตนั่นแหละคืออันนั้นวัตถุประสงค์คนละเรื่องกับการที่จิตเกิดวัตถุประสงค์ที่เราเราคิดเรื่องอื่นนั่นความเร็วของจิตแล้วเดีย๋ยวไปเทียบกันเพราะจริงๆแล้วในะการคิดเนะี่ยจริงๆความคิดนะมันสําเร็จไปแล้ว ที่การเป็นการเดินการอะไรต่างๆไอ้วัตถุประสงค์การไปนะั้นเนี่ยมันมีแล้วที่มันจะไปลักษณะตรงนั้นแต่ความเร็วแต่เราไม่รู้่ะมันเรียดรวดเร็วมากจิตเนี่ยก็หนึ่งลัดนิ้วมือเดียวแสนโกรธฉะนั้นมันมันเร็วมา ก, อ, กอันนั้นมันเกี่ยวในเรื่องของความทรงจําวัตถุประสงค์อะไรค น, นละประเด็นกันเลยแต่จริงๆแล้วนะ่ยวัตถุประสงค์ที่จะเดินเนี่ยมันมีตลอดเรื่องที่จะเดินมันมีตลอดทีนี้ ตรงนี้ที่บอกมหาชีบอกอายุของรู ป, ปธรรมหมายความว่าขณะที่เสมอกันกับขณะ17บเจขณะชื่อว่าเป็นอายุของรู ป, ปธรรมทั้งหลายรู ป, ปธรรมเท่าไหร่22รูปเว้นใช่ไหมวินยต่รูป2ลักษณะรูป4ี่นั้นเอาไปเทียบ17ขณะของจิตไม่ได้ก็เนี่อ่ะงบอกว่าโดยขณะย่อยก็มี51ขนาเล็กใช่หมห้าสิขนาดเล็กนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นอายุ ข, ของรู ป, ปธรรมนี้ตามอัตถกานาในแล้วก็ แต่แต่ตรงนี้มูลฎดีกาในมูลฎีกาในท่านบอกว่าในมูลฎีกาเนีบอกว่าขณะสองขณะแรกเป็นอุปาทขณะของรู ป, ปรธรรมขณะสองขณะสุดท้ายเป็นพังคขณะส่วน28ขณะในท่ามกลางเป็นทีติขณะของรู ป, ปรธรรมเหล่านั้นโดยแท้จริงแล้วแม้อุปาทขณะ กับพังค์ค่าขนาดของรูปที่เปลี่ยนแปลงช้าก็ไม่ควรจะเร็วเหมือนจิตมองไหมดีกามู ล, ลดีกาบอกอันนี้เราเรียนแบบวิเคราะห์นะมู ล, ลดีกาบอกว่าอย่าไปนับพร้อมกันกันกบจิตที่รูปอ่เพราะรูปมันต้องช้ากว่าจิตนี่เป็นนับพร้อมกับจิตท่านท่านท่านแย้งอัตกถามองออกใช่ไหมตรงเนี้ยเพราะถ้าหากว่าอัตกถาที่เราเรียนกันโดย ท, ทั่วไปเนี่ยบอกว่าตรงเนี้ย อุปาทักระนาดนี่คือขนาดเกิดของรูปแล้วถีติขนาดเป็นต้นมานี่เป็นขนาดตั้งอยู่ของรูปจนถึงถีติขนาของแตทาดวงที่สองเนี่ยสี่สิ้าวงั้นเธอถ้าหากมูระดกาบอกว่าเอาสองก็แล้วกันเอาอุปาทากะถีติคือให้มันช้าลงหน่อยอะในทรรนองอย่างนั้นนะคำนวณให้ช้าลงนิดนึงเกี่ยวกับนิรันดร์ยอยอยู่อายุรูป้ประธรรมมันนะ บอกว่าสองขนาดแรกนั่นแหละเป็นอุปาถะขนาดของรูปธรรมสองขณะขนาดสองครั้งสุดท้ายก็เป็นพังคขนาดเอกจะเหลือเท่าไหร่ออกไปสี่แล้วใช่ไหมมันจะไวเกินไปไงถ้าเกิดกระจิตเนี่ยใช่ไหมมองออกใช่ไหมตรงนี้มายิตมองออกไหมเนี่ยมองออกไหมตรงเนี้ยมองไม่ออกใช่ไหมนี่อัตกถาบอกว่าอย่างนี้แต่คือคืออย่างนี้รูปเนี่ย รูปเนี่ยปกติเขาช้าเขาเป็นสภาพที่หนักไม่เร็วเหมือนจิตฉะนั้นอัตกถาว่าเกิดพร้อมกันกันกบจิตแต่ตั้งอยู่สี่สิบเก้าหรือขณะอนุขณะนั้นน่ยเป็นถีติปัตตาของรูปนั้นน่ยแล้วก็มาดับพังฆาตขณะคือมาดับพร้อมกันกันกบพังฆาตขณะของตาธารรมณะนั้นเนี่ยเออตรงนี้ฟังฟังแล้วไอ้ที่ตั้งอะ่ะชอบกนว่างั้น ทำไมเรทำไมเกิดได้เร็วขนาดนั้นล่ะลูกเอ๋ดับก็ทำไมดับได้เร็วพร้อมกันกับน้ำขนาดนั้นล่ะเอางี้ก็แล้วกันเอาเอาสองขนาดก็แล้วกันเอาสองขนาที่จริงท่านใช้คําว่าสองสองขนาดนีถ้าสองขณะผ่านไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงกลางจะเหลือเท่าไหร่ที่จริงถ้ามูลดีกามูลดีกาจริงๆเนี่ยท่านนับท่าน ลักษณะที่ท่านนับของท่านเนะ่ยลักษณะเช่นนั้นนะเนี่ยทีนี้จะบอกว่าโดยแท้จริงแล้วแม้อุปาทขณะและพังค์ขั้นหังรูปที่เปลี่ยนแปลงช้าก็ไม่ควรจะเร็วเหมือนกันกันกบจิตนั้นว่าไงนะไม่น่าจะเหมือนแต่ตรงนี้ตรงนี้ท่านไม่ไม่ถือนะเอาอัตถกถานะโดยส่วนแต่ตรงนี้เรารับรเรารับเข้าไวใช่ไหมจะได้ละเอียดขึ้นไปในการศึกษาในเรื่องของวิถีตรงนั้นเนะี่ แต่ตรงนี้ถ้าบางคนก็บอกนี่เป็นการแย้งอัตถกถาท่านบอกว่าดีการนี่แย้งอัตถกถาท่านบอกกันนะแต่เป็นเรื่องที่น่าคิดกันนะท่านในบรรดาวพวกที่ก็แตกฉานเนี่ยนะเขก็ว่ากันเออเป็นเรื่องเดี๋วแต่เรารับรู้ตรงนี้ก็ไว้เป็นการศึกษาวิธีจะได้ละเอียดขึ้นนะนะว่าเออท่านมีมุมคิดของท่านลึกปานนี้นะไม่ธรรมดาอาจจะต่อเลยนะที่นี้ พอพูดถึงเกี่ยวในะเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยจะได้ทำความเข้าใจต่อไปบอกว่าในบรรดารูปธปรรมเหล่านั้นวินญยญติรูปสองเนี่ยมีขนาดจิตหนึ่งวินญยญติรูปสองนะ่ะมีขนาดจิตหนึ่งคือเอาขนาดจิตหนึ่งนั้นเป็นประการลสสาคัญเพราะมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปตามจิตนั้นจิตเปลี่ยนจิตเกิดวินยติรูปเกิดจิตแปลปวนไปวินยติรูปก็ แปลปวนไปใช่ไหมเพราะจะเป็นนับเป็นรูปไม่ได้คําว่าเป็นรูปไม่ได้หมายความว่าจะเป็นนับเป็นการรูปธรรมตั้งอยู่ไม่ได้ทําไมจึงนับไม่ได้เพราะวิญญาติรูปนั้นไม่มีสภาวะของตนเองโดยเฉพาะคือถ้าดูฐานรองรับของเขาเนี่ยฐามวิญญาติรูปคืออะไรก็คือนิพพานนรูปนั่นเอง คือตัวนิพพานนรูปนั่นเองแต่นิพพานรูปในขณะไหนใช่ไหมในขณะไหนอ่ะเพราะในขณะที่รูปเนี่ยวิญญาติในขณะที่จิตเกิดตัววิญญาติรูปที่เกิดจากจิตตรงนั้นเขาเกิดแล้วนะแล้วเมื่อจิตตรงนั้นดับวิญญาติรูปตรงนั้นก็แปรปวนไปแล้วนะแปรปวนแล้วมันแปลไปขณะหนึ่งไปแล้วนิดหนึ่งไปแล้วนะมันมันแปลเปลี่ยนไปแล้วไอ้ตรงนั้นอนะ่ะไอ้ที่มันความโกรธมันเกิดมากปริมาณของวิญญาติรูปก็ ซ้อนกันมากขึ้นแล้วมันก็แปลเปลี่ยนไปแต่ละขนาดพร้อมกันกับจิตที่กโกรธที่โลภนั่นแหละมองเห็นไหมเนี่ยอเอาจิตตานุปริวัติโนธรรมาไงเมื่อเป็นไปตามกระแสจิตแล้วถามว่าคำคำว่าเป็นไปตามกระแสจิตเนี่ยเอางนี้แล้วเขาเป็นไปไหมเนี่ยเขาเป็นไปแบบการเสื่อมอยู่ไหมถ้ามันเป็นไปตามกระแสจิตถ้าจิตเสื่อมอ่ะไม่ใช่ถ้าขาเขาเาจิตมันเสื่อม จิตเสื่อมไปเป็นยังไงถ้าอุปาถาขณะก็แปลขณะเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ถ้าหาักถีติขณะก็ขณะตั้งใช่ไหมที่บอกว่าขณะเสื่อมไปของนามธรรมไม่อาจกาหนดหมายได้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าการเกิดขึ้นกันของเวทนาปรากฏความเสื่อมไปปรากฏการแปรปวนไปของสภาวะธรรมนั้นตั้งอยู่โดยสภาวะปรากฏนี่ลักษณะทั้งสาม ถ้าหากว่านามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณใช่ไหมที่เราเรียกกันว่าจิตเนี่ยนะรวมกันเบ็เสร็จคือจิตเนี่นะจิตเกิดวิญญาติรูปเกิดไหมจิตตั้ ง, งว่าเมื่อมันแปลมันเปลือยแปลปวนไปก็มคําว่าเป็นไปตามกระแสจิตเนี่ยถ้ากระแสจิตมันแปลปวนไปแล้วเนี่ยมันแปลปวนไหมปัญหาปัญหาเนี่ยเราไปโยงตัวบนอีกแล้ว วิญยัติรูปเกี่ยวกันกับ17ขนาดไหมไม่เกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวถ้าเอาไปโยงทําไมเราเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ต่อมาดูต่อทั้งบอกว่าเกี่ยวในเรื่องของในวิญยญัติรูปสองเนี่ยนะเมื่อขนาดจิต1เนี่ยมีขนาดจิตหนึ่งวิญยญัติรูปสองในขณะดเขาเนี่ยมีอยู่ขนาดจิตหนึ่งหนึ่งเท่านั้นแหมมีขนาดจิตหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะแต่ละวิญญตัตแต่ละวิญยั ต, ญญตเน่ย รวมๆกันกลายเป็นว่าทําให้กายวิญญาต์วจีวิญญาต์ออกมาแต่ลักษณะหนึ่งๆวิญญาตแต่ลักษณะหนึ่งๆเขาก็เท่ากับขณะจิตหนึ่งๆนะว่าเงินก็แปลว่ามีสภาพเปลี่ยนแปลงไปตามจิตชัดเจนทีนี้ถ้าไปดูอุปัจจะยรูปและสัน ต, ติรูป ก, ก็เป็นเพียงอาการเกิดนี่จะเริ่มไหมไหมถ้าอุปัจจะยสัน ต, ติก็เพียงเพียงอาการเกิดขึ้นอาการเกิดขึ้นของอะไร เป็นเพียงอาการเกิดขึ้นของนิพพานนรูปเหมือนว่าอาการอาการลุกขึ้นกันของคนลุกอาการนั่งของคนอาการนะไม่ใช่คนนะไม่ใช่ไม่ใช่ผูนั้นนั่งเนะไม่ใช่นิพพานนรูปแต่เป็นอาการของเขาเนอะอาการนั่นแหละเขาเรียกอุปัจจะยะกสัน ต, ติก็เป็นแต่เพียงอาการเกิดขึ้นของนิพพานนรูปส่วนอนิจจตาอนิจจตาคืออะไร อันนี้จัตารูปอนนี้จัตารูปถ้าหากว่าอันนี้จัตารูปก็เป็นเพียงอาการดับชรตารูปก็เป็นเพียงขณะตั้งอยู่ของรู ป, ปรธรรมยกตัวอย่างเช่นรูปมีทิฏีิขณะของเขาไหมในแหละอาการตั้งนั่นแหละเขาเรียกอะไรในะอาการตั้งอ่ะก็ชรตานั่นแหละฉะนั้นถ้าหากว่าดูตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมองเห็นเกี่ยวในเรื่องของคำว่ารูปที่ เป็นอุปัติเอที่ขณดที่เป็นกายวิญญตัตและเวทวจีวิญญตัตเนี่ยตรงนี้พอจะเริ่มมองเห็นใช่ไหมคาว่าเป็นเพียงขณะหนึ่งหนึ่งของเขาเนี่ยบางทีหลายๆคนไปมองว่าเออย่างยกตัวอย่างเช่นมีการขยับขยื่นเนี่ยคำพูดทำปากให้เคลื่อนไหวทำมือและเท้าให้เคลื่อนไหวเนี่ยถามว่าก็นั่นไงมันเห็นอยู่ยังไงเห็นมันเห็นสีอะไรอะเนี่ยใช่ไหม ทีนี้และที่บอกว่าแล้วจิตดวงหนึ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยวิญญาตติรูปเกิดแล้วหรือยังเกิดแล้วเมื่อจิตดวงนั้นแปรปวนยยวิญญาตติรูปที่เกิดจากอานุอนุที่เกิดจากวิญญาตจากจิตดวงนั้นก็แปรปุ่ยเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปนิดหนึ่งไปแล้วแล้วที่เกิดใหม่มันขยับต่ออย่างอีกจุดหนึ่งไปนะไอ้ตรงนั้นเคย อ, อย่างนี้เข้าใจตรงนั้นอันนั้น <versuchen> ที่ที่เรามองตรงนั้นไปมองนิพพานรูปแล้ว แต่ถามว่ามันเป็นและเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นอาการของจิตดวงไหนใช่ไหมก็ให้ถึงบอกกันนั่นแหละเขาถึงบอกว่าท่านจึงมองว่าเป็นการแปลไปตามสภาพของจิตเลยมองไปตามแปลไปตามสภาพของจิตเลยนี่เป็นอย่างนั้นเขาเพงบอกว่าขณะของจิตขณะของรูปโดยองค์ธรรมก็คือจิตและรูปนั่นเองการใช้ในลักษณะที่เป็นสํานวนที่กล่าวไว้นั้ไม่ต่างกันนี่ถ้าถามบอกว่าทีนี้บอกว่า การที่รูปธรรมปรากฏพึงทราบได้คือรูปธรรมนั้นได้รับปัจจัยนะได้รับปัจจัยที่สมบูรณ์ในถีติขณะที่มีกําลังเช่นั้นท่านจึงกล่าวบอกว่าเมื่อถึงถีติขณะเขาก็ได้รับปัจจัยที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ทีนี้ถ้ามองตรงนี้ถามว่าเอ๊โดยหลักใช่ไหมโดยหลักแต่ถามว่าถ้าโดยสภาพที่จะคิดเนี่ยเราจะคิดยังไงโดยสภาพที่จะคิดแล้วบอกว่าเอ๊ในขณะที่จิตเกิดเนี่ย ตอนนั้นวินยติรูปตั้งหรือยังตั้งขึ้นแล้วและวิญยติรูปเป็นอาการไหวกันของนิพพานรูปในขนาดไหนก็ต้องไปดูตรงนั้น ใ, ในในจิตตชรูปใช่มในจิตต่นนในจิตตะเรูรใช่หรานอืมใมานุจิตมองออกไปตรงนี้ มองเห็นไหมตรงนี้โดยโดยหลักก็คือว่าในบรรดารูปธรรมเหล่านั้นใช่ไหมในบรรดารูปธรรมเหล่านั้นอายุของรูปธรรมนั้นยี่บสองรูปใดรูปหนึ่งเว้นวิญนยติรูปสองแล้วก็เว้นลักขณะรูปสี่เุที่เว้นวิญนยติรูปสองเพราะวิญนยติรูปสองนั้นเกิดพร้อมกันกันกบแล้วก็เป็นไปตามกระแสจิตแปรปรวนไปตามกระแสจิตอะไรที่จริง ที่จริงโดยหลักของเขาเนี่ยก็บอกว่าอายุของรูปธรรมนั่นนะถ้าถามบอกว่าถ้าอายุของจิตแจตสิกคือนามนิวปาทัขนาทีติขณะพังคะขณะรวมเป็นสามขณะคือรวมเป็นสามขนาดใหญ่เขาเรียกอนุขณะใช่ไหมกับมหาขณะนี่แต่อายุของรูปน่ยจิตสิบเจ็ดขนาใหญ่ห้าสิบเอ็ดขนาดเล็กเป็นอายุของรูปธรรมยีิบสองเว้นวิญญาติรูปสองลักษณารูปสี่ทีนี้ตรงนี้ท่านบอกว่า แล้วก็บอกว่าในการยกหลักฐานตรงนี้ท่านจะยกหลักฐานในจุลเอกเท่านั้นเองที่ยกมาประกอบจะยกในหลักฐานในจุลเอกมาประกอบทีนี้ถ้าบอกว่าเกี่ยวในเรื่องของอนุขณะใช่ไหมถ้าอนุขณะกับมหาขณะอันนี้ไม่ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่วิญยติรูปสองเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตคําตอบเ้าตอบอย่างนั้นมันไปอยู่ในหลายแทงหลายที่ถ้าหากในปัญหานี่นะ คือคือในหลักฐานที่เขาตอบกันมาก็าตอบอย่างนี้นะเนี่ยเาจะบอกว่าถ้าจะถามบอกว่าวิญญาติรูป2ลักษณะรูป4นี้มีอายุไม่ถึงอายุ17ขนาดของจิตพอเหตุลายเขาตอบว่าพราะวิญญาติรูป2เกิดพร้อมกันกับจิตดาพร้อม ก, กันกับจิตพอลักษณะรูป4ี่เป็นเครื่องหมายของนิพพานรูปเป็นรูปธรรมเทียมในหนังสือวิถีของขุนสัพ ป, ปกิจโกศลเท่าที่มองเห็นก็บอกว่าบอกว่าลักษณะรูป4ี่คู่ปัจจะญาสันตติ อุปาทัคขณะขณะเกิดก็เท่ากับหนึ่งขณะเล็กของนามเท่านั้นจึงมีอายุไม่ถึงสิบเจ็ดขณะใหญ่ชะตาก็ได้แก่ถีติขณะคือขนาดตั้งอยู่สี่สิบเก้าขณะคือขนาดเล็กของนามจึงมีอายุไม่ถึงสิบเจ็ดขณะใหญ่อันนี้จตาก็ได้แก่พังคัคขณะคือขนาดดับหนึ่งขณะเล็กจึงมีอายุไม่ถึงสิบเจ็ดขณะอันนี้ที่ดูจากหนังสือโดยทั่วๆไปนะทีนี้ทีนี้ถ้าบอกว่า ถ้าบอกรูปอารมณ์ล่ะรูปอารมณ์ที่ปรากฏทางตานั้นจะปรากฏตรงถีติ ป, ปัตตะคือขนาดใดขนาดหนึ่งในจํานวนสี่สเก้าขนาดของรูปอารมณ์นั้นรูปอารมณ์เวลาจะมาปรากฏทางตานั้นเน่ยนะเข้าสู่ทวารตาเนี่ยไม่ใช่ที่อุปาทขณะต้องที่ถีติ ป, ปัตตะคือขนาดตั้งถึงจะสามารถเข้าสู่คลองของทวารตาอันนั้นคือรูปคือสีคือสวดทรงต่างๆทีนี้ คำแนะนําก็คือบอกว่าเกี่ยวในเรื่องบอกว่าคําถามคําตอบเนี่ยโดยมากในหลักปัญหาฉเฉลยเราก็ยังพูดไปพูดม า, าก็ยังมาวนทีนี้ถ้าหากเราดูจากอหลักฐานดูแล้วก็จะเห็นคําว่าทีติปัตะเนี่ ย, ยทีติปัตตะคือขนาดทีติขนาดของรูปของรูปปารมีเป็นต้นที่ตั้งเนี่ยนะรูปปารมีนี้อยู่ในจํานวนรูปยี่สิบแปดไม่เขาเขาเติ้รูปยี่ิบสอง ใช่ไหมเพราะเป็นขนาดตั้งนี่ทเงี่ยเห็นแหละจะเริ่มมองมองบ่อยเห็นอยู่ในขนาดตั้งของเขาถ้ามองอย่างนี้ก็จะเริ่มเริ่มเห็นนะว่าเออเนื้อรูปอารมณ์เนี่ ย, ยอยู่ในขนาดตั้งของเขานะเป็นจํานวนรูปยี่สิบสองแต่ว่ากายวินยัตวจีวินยัตและขนาดรูปสี่เนี่ยเป็นอาการอีกทีนี่ถ้าหนึ่งหนึ่งสือของคุณสมบัติเขาก็เ ข, า, ข, า, ขาชีช้แจงไว้ลักษณะเช่นนั้นแต่ถ้าไปดูในดีกาดูแรงต่างก็ดังที่ได้ขยายไว้เี่ มียอ่ะต่อไปดูตรงนี้ต่อดูในทวาลที่ต่อจากครั้งที่แล้วเกี่ยวในเรื่องของทังทวารตาเป็นต้นเกี่ยนในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยก็บอกว่าอีกคําหนึ่งที่ท่านตรัสกันไว้บอกว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายถ้าจาักสุภายในไม่เสียหายแต่ว่าถ้าตาไม่เสียหายนี่นะทงังจากกุประสาทเนี่ยรูปาราลมภายนอกก็มาปรากฏแต่ถ้าความใส่ใจที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่รูปาราลมนั้นไม่มี ถ้าไม่มีมณสิการคือความใส่ใจในสีในรูปในส่วนทรงนั้นเนี่ยความปรากฏแห่งหมู่จิตที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่จกักษุรูปอารมณ์และความใส่ใจย่อมไม่มีก็แปลว่าถ้าหากว่าจากักษุภายในไม่เสียหายคือตาดีอ่ะรูปารมณ์ภายนอกก็มาปรากฏด้วยรูปอารมณ์ก็มาปรากฏแสงสว่างก็มีในตุวน้องอย่างนั้นในแต่ขาดอะไรขาดมณสิการ เขาเรียกวิธีปาธกะวิธีปฏิกาธกามันติปาธกามนสิการเนี่ยมนสิการที่จะทําให้จักขูวิญญาณเนี่ยเป็นไปเนี่ยถ้าไม่มีตัวนั้นอ่ะถ้าไม่มีปัญจทวารลวชนะก็ว่าความใส่ใจย่อมไม่มีแต่เพราะเหตุที่จักสุภายในไม่เสียหายเขบอกลักษณะอย่างนั้นก็าบอกรูปารมณ์และความใส่ใจย่อมไม่มีมันจะเป็นในลักษณะบอกว่าความปรากฏแห่งหมู่จิตที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่จักสุ ของรูปา ร, รมณ์และความใส่ใจก็ไม่มีด้วยใช่ถามว่าถ้าขาดมณสิการคือปัญจทวารวัชนะเสียแล้วเนี่ยมีไหวิถีจิตจะมารวมมาประชุมในทวาร น, นี้ได้ัหมไม่ได้แต่เพราะเหตุที่จักสุภายในไม่เสียหายรูปา ร, รมณ์ภายนอกกัปรากฏทั้งความใส่ใจที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่จักสุกับรูปา ร, รมณ์ก็มีอยู่ความปรากฏแห่งหมูจิตที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่จักสุ รูปารมและความใส่ใจย่อมมีได้อย่างนี้ลักษณะนี้ถ้าอธิบายก็คือว่าในชาวในวิถีจิตเนียในจักขูทวาริกะอติมันตารมวิถีนั่นเน่เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีจักขู่菩าตรูปารมาโลกาแล้วก็มีความใส่ใจที่ท่านเรียกว่ามณสิการโสตาละ่ะท่านก็ตรัสไว้บทถ้าโสตาภายในไม่เสียหายคำว่าโสตาภายในคือโสตา菩นะ สัทธารมภายนอกก็มาปรากฏแต่ถ้าความใส่ใจที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่โสตะกับสัทธารมคือเสียงไม่มีความปรากฏแห่งหมู่จิตที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่โสตะสัทธารมเล็กความใส่ใจย่อมไม่มีเออถ้าเรามองอย่างนี้ท่านจากคำสอนตรงเนี้ยที่มีพุทธวจนะเนี่ยนะในมหาหัตถ์ปะโทปะมะสูตรเนี่ยนะที่ท่านพูดตรงเนี้ย องตรัสอย่างนี้หมายความว่าต้องการอยากจะให้ทราบให้ทราบว่าเนี้มันเกิดจากความใส่ใจนะแล้วเกิดจากมีจักษุมีโสตประสาทภายในแล้วก็มีศรัทธารมมาปรากฏแล้วก็ท่านจะใช้อยู่คํานึงก็บอกว่าแห่งมูจิตเนี่ยความปรากฏแห่งหมู่จิตที่เกิดขึ้นตามสมควรเนี่ยเข้าใจคําว่าตามสมควรไหมตามสมควรแก่อะไรอะ่ะตามสมควรแก่ บุคคลตามสมควรแก่ภูมิใช่ไหมตามสมควรแก่อารมณ์มองเห็นไหมตามสมควรแก่อารมณ์ตามสมควรแก่บุคคลตามสมควรแก่ภูมิก็ตามสมคว ร, มมควรยังไงถ้าสมมติรูปารมณ์นั้นเป็นเออถ้าศรัทธารมณ์คือเสียงนั้นเป็นอนิจฐานลมคือเสียงที่ไม่ดีเห็นไหมนี่มันตามสมถ้าอารมณ์ประเภทนี้สิโสตาวิญญาณไม่ได้เกิดทั้งสองนะ ปัญจทวารเนะีดวงนั้นแหละโสตวิญญาณต้องเป็นอกุศลโสตวิญญาณสัมปติชนะก็ต้องเป็นอกุศลสัมปติชนะสันติรณะก็อกุศลสันติรณนะใช่ไหมแล้วก็โวัฏนะชวนะตามสมควรแก่บุคคลตามสมควรแก่บุคคลแล้วพอไปถึงชาวนะเนี่ยอัธยาศัยของบุคคลนะั้นน่ะน้อมที่จะตัดสินอารมณ์เช่นนั้นเป็นอย่างไรน้อมที่จะโลภจะโกรธจะหลงหรือจะเกิดมหากุศลและแตถารรมณะก็จะได้เพียง ผู้เบิกขาสันติแล้วนะอาสุสลนั้นหนึ่งไปทําหน้าที่ตัธาละมาะณะเกิดต่อลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าตามสมควรจริงๆนะเนี่ยตามสมควรแก่บุคคลต่าละตามสมควรแก่ภูมิด้วยแต่ถ้าหากว่าในรูปภูมิเนียย่ยฉะนั้นพุทธพจน์ตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันกอนข้างที่ละเอียดมากแต่เพราะเหตุที่โสตาภายในไม่เสียหายสัทธารมภายนอกก็ย่อมก็ปรากฏทั้งความใส่ใจที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่สัตว์ แกโศตากับสัทธารม์ก็มีอยู่ความปรากฏแห่งหมู่จิตที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่โสตาสัทธารมได้ความใส่ใจย่อมมีได้อย่างนี้อย่างไหนก็ไปแยกแยะพิจารณาตามสมควรแก่ภูมิบ้างบุคคลบ้างอารมณ์บ้างมันเป็นอย่างนั้นบางครั้งในการมภูมิจะทารมนะก็ไม่ใช่จะเกิดนะถ้าคานะภายในไม่เสียหายคันธารมณ์ภายนอกก็มาปรากฏ แต่ถ้าความใส่ใจที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่คานะกับคันธารม์ไม่มีความปรากฏแห่งหมู่จิตที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่คานะคันธารล์ได้ความใส่ใจย่อมไม่เรียกว่ามีนะขาดเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเสียมันก็ไม่มีจิตที่จะมาเกิดขึ้นเพื่อจะทํากิจในทวาร น, นั้นๆจริงๆเขาเกิดขึ้นมาเพื่อมาทํากิจนะปัญจทวารวัชณนะเกิดขึ้นมาก็มาทําอวัชนะคานาวิญ ญ, ญาณ อาคารหปราสาทก็เกิดมาเพื่อจะกระทบกันกับคันทารมใช่ไหมคานหวิญญาณเกิดมาเพื่อจะทําครใช่สัมปติจนะก็ทําหน้าที่สัมปติชนะกิจสันติชนะก็ทําหน้าที่สันติชนะกิจวอดเทปนาก็ทําหน้าที่โวอดเทปนากิจคือการตัดสินชวนะกิจกระทาหน้าที่เสพอารมณ์เนี่ยนะสวยอารมณ์แต่ทารมนะถ้จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นสวยอารมณ์ต่อจากหรือรับอารมณ์ต่อจากชวนา แต่เพราะเหตุที่คาร์นาภายในไม่เสียหายคันธารลมภายนอกก็มาปรากฏทั้งความใส่ใจที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่คาร์นากับคันธารลมมีอยู่ความปรากฏแห่งหมู่ฉิตที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่คานะและคันธารลมและความใส่ใจย่อมมีได้อย่างนี้ถ้าทางชิวหาถ้าชิวหาภายในไม่เสียหายคือประสาทลิ้นไม่เสียหายนะร่สารลมภายนอกก็มาปรากฏแต่ถ้าความใส่ใจที่เกิดขึ้นตามความตามสมควรแก่ชิวหา กับร่สารล์ไม่มีความปรากฏแห่งหมู่จิตที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่ชิวหาประสาทรสารลมและความใส่ใจก็ย่อมไม่มีความใส่ใจไม่มีในแปลว่าวิถีจิตไม่เกิดแล้วมีบ้างไหมปัญจทวารลวัชนะเกิดแล้วไม่มีจิตไม่เกิดต่อไม่มีเลยนะปัญจทวารวัชนะหนีถ้าอารมณ์ไม่พอไม่อะวัชนะเลยให้สังเกตดูที่ว่าอย่างในอติปริตารมณ์ ทั้งทงที่มีอารมณ์แต่อวัชชะนไ ม, ไม่ไม่ทำกิจเลยใช่ไหมในปฏิตารมยั ง, ย, งยังเกิดไหม